อ่ายมยมยมเจ๊บใช่ไหม rect? อ่ายมเจฟยมเจ๊ฟเห็นผู้ติดตามหลวงพ่ออยู่เหมือนกันอยอมเจ๊ฟคุยสักหน่อยไม่ว่างเลยยังไม่ร uh ู้กล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อออเอาก็ก็เห็นคล้ายๆกับคุณสุภเวร์ค่ะคือมีแผนแล้วก็มีผู้รู้ แต่เราไม่รู้ตัวผู้รู้คือจะพูดเราเราเห็นเรารู้อะค่ะแต่ไม่ใช่เราสิคือว่าเห็นรู้แต่ว่าไม่มีตัวค่ะไม่มีตัวผู้รู้ค่ะแล้วเราพผู้รู้รู้อะไรผู้รู้ที่ไม่มีตัวรู้อะไรตามรู้รู้ว่ามีแบบว่ารู้ว่าเราเห็นสาราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ผู้รู้ก็คือเห็นสาลาเดินขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเห็นหมดเลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราค่ะคําว่าผู้รู้นี่หมายถึงผู้ตัวไหนที่ที่ที่พูดถึงคือว่าเราเห็นอ้าวไม่ใช่เ ร, เราอีกแล้วเอ อ, เ อ, อเลองลองดูที่ <c oughs> ตัวไหนคือถ้าเป็นตัวเราแต่เราก็ไม่เห็นตัวเราก็ไม่มีตัวเรา เห็นไหมคะมันจะพูดไม่ถอยอีกแล้วเออเอพอเมื่อกี้บอกว่าคล้ายๆกับของสุปวีใช่ไหมใชอคล้ายๆกันลองลองขยายความอีกนิดหนึ่งที่ว่ามันคล้ายๆกันยังไงทวนเพื่อเป็นความรู้ของเราเองอ่ะเอออืทวนไปทวนมาจะไม่คล้ายของคนสุปวีแล้วเออลองพ่อลองทบทวนให้ก็ได้เช่นนะสมมติว่าพอเราเปิดเราเปิดคลิปใช่ไหมค่ะพอเราเปิดคลิปปั๊บตัวเราเป็นผู้ผู้ดูคลิปใช่ปะ ใช่ค่ะใ น, ในเบื้องต้นเนี่ยตัวเราเป็นผู้ดูคลิปเป็นผู้เห็นคลิปอ่าวิดีโอนั้นแต่หลวงพ่อบอกว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวแล้วมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเออตรงเนี้ยลองลองสิว่ามันเป็นยังไงผู้รู้ผู้รู้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้อันเนี้ยมันคือตัวไหนอะไรเอ อ, เ อ, อยังไงเนี่ยลองลอง ้รู้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ไม่ประกดรวมเหมือนเราเหมือนว่าเรารู้เราจับรู้เห็นหนู่นนี่แล้วเราก็รู้แต่แต่ว่าเราที่เป็นผู้รู้โอ้ยหนูไม่รู้แล้วค่ะเออเอาถ้าเป็นตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเนาะอ่าดู <c oughs> ที่เราถืออยู่นะค่ะ <c oughs> อา่าเนี่ย ดูโทราศัพท์พอดูโทราศัพท์เสร็จแล้วโทราศัพท์เนี่ยก็เหมือนกับภาพในคลิปแหละเป็นสิ่งถูกรู้<อ>ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วลำดับต่อมามันเป็นยังไงเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นเข้าใจได้ว่ารู้เนี่ยที่ที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏตัวตรงนี้จะอธิบายอย่างไรในเรื่องโทราศัพท์กับตัวเราโทราศัพท์เป็นสิ่งถูกรู้อ่าเรพูดเองต่อมายังไง ปัจจุบันนี้เลยโทรศัพท์เป็นสิ่งถูกรู้เจ้าค่ะโทรศัพท์เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกดูอ่าไล่มาเรื่อยเื่อยแล้วเราเป็นผู้รู้ว่าเราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้รู้อ่าค่ะว่าเราเราถือโทรศัพท์ว่าว่าผู้รู้ถือโทรศัพท์อยู่คือเหมือนผู้รู้เห็นเห็นตัวเนี้ยค่ะถือแบบเห็นว่าถือโทรศัพท์อยู่เห็นหน้าจอโทรศัพท์ ก็ก็เราไงตัวเราเป็นผู้เห็นตอนแรกเบื้องต้นอ่ะเนาะเพราะมันมีแค่ตัวสับกับมีตัวเรามีสองตัวตอนเนี้ยอ่าตัวสับเป็นสิ่งถูกเห็นเราเป็นผู้เห็นถูกไหมค่ะแต่ทีนี้ถัดมามันต้องมีผู้เห็นแต่ไม่ปรากฏตัวผู้เห็นเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนมีผู้ขั้นตอนตั้งเยอะแล้วนะเนี่ย ขั้นตอนตอนที่เรารู้สึกตัวค่ะตอนที่รู้สึกรู้สึกตัวว่าเราไม่มีไม่มีเราอ่ะค่ะเป็นผู้ลุกโอ้ยหลวงหูดไม่ค่อถูกเลยอะค่ะเออคือฟังหลวงพ่อทุกวันแต่ว่าพยายามที่จะแบบว่าทําตามคิดคิดตามที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่พามาพูดน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอ๋อแต่แฟังหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อพูดแล้วก็ฟังความรู้สึกว่าเข้าใจใช่ไหม เข้าใจค่ะแต่ว่าต้องคอยต้องคอยดึงนะคะต้องคอยเหมือนที่หลวงพ่อพูดว่าพอหลวงพ่อพูดปุ๊บจะดึงได้ว่านี่เราอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้แต่คือเราใช่ค่ะก็ยังเป็นเราอยู่ตลอดเอก็เดี๋ยวฟังไปก่อนเนาะฟังไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตรงนี้ผ่านปั๊บเนี่ยมันได้ความรู้อีกเยอะเลยเป็นประสบการณ์เข้าใจทําให้เข้าใจหลวงพ่ออาจยังไม่อยากเฉลยเราเพราะว่าอยากให้เป็นความรู้ของของโยมเองอ่ะนะ ถ้าหลวงพ่อจะเหลือกลายเป็นว่ามันไม่ถึงใจไงมันเป็นเหมือนกับว่าคนอื่นบอกทางแต่ถ้ารู้เองปั๊บเนี่ยมันแบบเก็ดแบบไม่สงสัยเลยอ่แบบฟันธงเลยคือร้อเปอร์เซนเลยอ่ะอืมเนี่ยเหมือนของโยมปวีนาอย่างเงี้ยมั่นใจเลยบอกเห็นอย่างังไม่ผิดเลยร้อยเปอร์ซ็นเออเอาเดี๋ยวคนอื่นนะคนอื่นไม่รู้มีใครอีกไหมโยมโยมเจี๊ยบลองฟังไปก่อนเนะาะค่ะก่อนนะเออค่ะอ่าเอามีใครจะขึ้นมาอีกไหม เชิญคุณเกศสลินนะคะกาบนวัตการหลวงพ่อค่ะอเอาหนูเอาตามความเข้าใจแล้วนะคะหลวงพ่อคือคือตอนตอนแรกหนูหนูม่ที่หลังอ่ะค่ะแต่แต่หนูจะขออนุญาตประมวนความรู้ที่ตั้งแต่ฟังหลวงพ่อมาคือตอนตอนที่หลวงพ่อให้ดูวีดีโอค่ะหนูหนูหนก็ดูวีดีโอเสร็จปุ๊บก็ ก็คื อ, คอแบบมีสติอะคะ่ะมีสติแล้วก็คือตัวรู้ตัวรู้ก็มองเห็นมองเห็นที่สีถูกเห็นก็คือในภาพในวิดีโอเนะะี้ยค่ะแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เห็นผู้ภาพผู้ผู้พูดผู้พูดอะคะ่ะที่พูดขึ้นมาไงนะคะว่า อ๋อต้องหลวงพ้อสอนว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบอ่าเราก็ต้องมีสติแล้วก็ดูก็แบบเอ่อเราก็แบบรู้รู้ตามความเป็นจริงอ่าอ่าตอนนี้มีสังขารเกิดว่าอ่าก็สังขารก็คิดไปว่า อาหลวงพ่อจะถามอะไรนะจะเตรียมคาตอบอะไรนะแล้วก็ดูอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เป็นสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ไปเข้าไปยุ่งกับมันก็ดูมันดับไปมีสติแล้วดับไปสักแป๊บหนึ่งก็แบบเหมือนก็เขอคะ่ะเขอไปเป็นตัวรู้ก็คือแบบคือไปรู้ว่าอ๋อคือแบบเหมือนเหมือนไปยืดนะคะว่าเป็นตัวนี้ไงคะ่ะเขาพอรู้สึกตัวปุ๊บก็อ่มีสติ ก็แบบก็แบบรู้ตามความเป็นจริงอีกเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยค่ ะ, ละหลวพ่อค่ะจกลงสรุปแบบสั้นที่สุดคือตัวรู้ที่ไม่ปรากฏตัวคือหมายถึงขนาดนั้นนะนะเพราะว่าตอนนี้เราเรามันคนละขนาดแล้วแต่ว่าเพื่อต้องการเชื่อเห็นว่ะผู้รู้หรือตัวรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตัวไหนกันแน่เอาไว้ชัดเจนฟันธงเลยคือตอนที่มีสติอะค่ะมัน ม, มันจะรู้ จะรู้ว่าคือคือวิดีโอคือสิ่งทุกรู้มีตัวเราตัวเราที่ดูวิดีโออยู่เงค่ะแล้วก็มีสังขารก็คือสิ่งที่เกิดดับเกิดดับขณะที่เราคิดเราพูดหรือว่าเราภาคอันนี้ก็คือเป็นสังขารที่เกิดขึ้นที่เกิดจากเราดูแล้วปรุงแต่งไงค่ะ ม, มันก็เกิดตรงนี้ขึ้นแต่ตัวรู้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วก็รู้ตามความเป็นจริง ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสติแล้วมองต่างวามเป็นจริงค่ะโอเคไปในทิศทางเดียวกันกับโยมปวีนาะแต่คำพูดอาจ <c oughs> จะไม่เหมือนโอเคนะเอาเดี๋ยวให้โยมเจี๊ยบขึ้นไปอีกทีหนึ่งว่าได้ฟังโยมเกดแล้วเข้าใจเพิ่มเติมไหมใช่อ่านะเอายอมเจี๊ยบขึ้นไปใหม่อ่โยมเกดลงมาก่อนกลับน้ำมันสักนิดแล้วค่ะคือก็ การมัธยการเจ้าค่ะอืม อ, อ่พูดจะไม่ค่อยถูกนะค่ะหลวงพ่อคือว่าเวลาที่มีสติอย่างที่คุณเกดพูดมากใช่ไหมคะอืเวลาที่เรามีสติเราก็เลยจะเป็นผู้รู้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นตัวเราไหมคะ <laughs> คือถ้ามีสติมันลืมตัวหรือถ้ามีสตินะมันลืมตัวหรือมันรู้ตัวถ้ามีสติถ้ามีสติจะรู้ตัวค่ะรู้ตัวตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเป็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันอ่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แสดงว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วรู้นั้นมันมีตัวไหมไม่มีตัวค่ะรู้ที่รู้ตัวเราไม่มีตัวใช่ไหมใช่ค่ะ อ่าแล้วมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งหมายความว่ายังไงรู้นรู้นั้นไม่มีตัวแต่าไม่มีตัวแต่มันรู้ตัวเราได้ค่ะพอเรามีสติทุกครั้งที่เรามีสติเราก็จะมีผู้รู้ขึ้นมาอผู้รู้ขึ้นมามารู้ตัวเราค่ะมารู้ตัวเราว่าไม่มีตัวเราอ่าเข้าใจล้วหมายถึงว่ายองเข้าใจแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าอาศัยพี่เลี้ยงอยู่เพื่อเพื่อให้พูดแบบให้นเป็นไปตามนี้ แต่เข้าใจด้วยตนเองแล้วเนาะชัดเจนนะว่าเมื่อรู้ตัวตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วมีมีรู้รู้ก็คือรู้เหล่าแต่รู้นั้น่ะมันไม่ปรากฏตัวชัดเจนเนะาะค่ะหลวงพ่ออ่าพอชัดเจนเสร็จแล้วอ่าค่ะค่ะคือไม่ใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อเรียกคือจริงๆริงกำลังจะเคลิ้มแล้วเคลิ้มคือง่วงหลับเหรอหรือไงกำลังจะง่วงหลับพอหลวงพ่อเรียกชื่อก็เลยตั้งสติที่จะตอบอาจจะแบบว่างงน<อ>ิดนึงเจ้าค่ะ ก็ดีเหมือนกันจะได้เห็นว่าความง่วงเกิดแล้วหายไปใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้หายหายเป็นปิดทิ้งแล้วยังปิดทิ้งเลย้าค่ะอ่าปิดทิ้งก็เพราะรู้ตัวนี่แหละนี่ถ้าไม่รู้ตัวหลับไปแล้วเห็นความรู้ตัวทำให้ทาให้ตื่นเนะร่างกายจิตใจตื่นหมดเลยก็โอเคนะโอเคก็พอจะเข้าใจแล้วแหละถ้างั้นเมื่อมีสติก็จะทำให้รู้ตัวแล้วก็จะรู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราแต่สิ่งนั้นจะเรียกว่าสติจะเรียกอะไรก็ จักมันก่อนแต่มัน ม, แ ม, นมีแต่ไม่ปรากฏตัวเนาะอ่าทีนี้ขยายความเพิ่มเติมอีกที่บอกว่ามันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งแปลว่าอะไรเออทุกทุกทุกครั้งก็คือ ส, สติถ้ามีสติทุกครั้งก็จะมีผู้รู้อยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อเมืม่อมารู้อะค่ะอืมแปลว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้อยู่บ้านน ะ, ะก็ มีถ้ามีสติเนี่ยผู้รู้ก็อยู่คือถ้าตัวเราอยู่บ้านอ่ะนะถ้าตัวเราอยู่บ้านผู้รู้หรือสติเนี่ยก็จะอยู่จะรู้เราถูกไหมแล้วถ้าเราไปที่อื่นถ้ามีสติมันตามเราไปไหมตามไปค่ะตามไปทุกแห่งแล้วเราจะไปไหนที่ไหนมันก็รู้เราหมดค่ะหลวงพ่อไม่น่าจะชี้ทางเลยนเนี่ยจริ ง, รงๆให้รู้เอง แต่ <Okay. S 2> คนอื่นก็เข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับว่าอ๋อ mm. คําว่ารู้ผู้รู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนทคว่าแข่งก็แปล ว, ว่าเราไปอยู่ไหน mm. เขาก็รู้เราได้ใช่ไหมเราอยู่บ้านอ๋อผู้รู้ก็อยู่นี่อยู่บ้านอยู่กับรู้เราอะนะอ๋อพอเรานั่งรถไปอ๋อผู้รู้ก็ติดตามเราเหมือนเงาตามตัวเลยรถพอเราขึ้นเครื่องบินสมมุตินะเอ้าผู้รู้ก็ขึ้นเครื่องบินคือมาอยู่กับเราด้วยคือรู้รู้เราแต่มันไม่ปรากฏตัวรวมแล้วเนี่ย ตัวเราจะไปอยู่ต่างประเทศจะไปอยู่บนดวงจันทร์จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันรู้หมดนั่นแสดงว่าผู้รู้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งก็จะได้ไหมแบบนี้เข้าใจมากาเลยสภามันหลวงพ่อเฉลียวแล้วเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ว่าธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันอยู่ทุกที่เนี่ยก็ต้องอาศัยตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะว่าถ้าตายแล้วเนี่ยมันเราก็พิสูจน์ไม่ได้เราก็พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ตอนที่เป็นๆว่า เออตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้และผู้รู้ที่รู้เราเนี่ยมีอยู่ทุกขนทุกแห่งนะแต่ไม่ปรากฏตัวเพราะฉะนั้นพิสูจน์ว่าผู้รู้มีอยู่ทุกขนทุกแห่งก็เราลองไปอยู่ที่ไหนดิปรากฏว่าผู้รู้มีหมดจริงๆออืไปดำในน้ําเนี่ยดำน้าอะ่ะเนาะผู้รู้ก็รู้เราใช่ไหมแสดงว่าผู้เรากผ็ผู้รู้ก็อยู่ในน้ําำแหละอยู่คือมันอยู่ทุกขนทุกแห่งที่มีเราอยู่อย่างเนี้จะเข้าใจง่ายแล้วก็จะเข้าใจถึงขนาดว่าตัวเราเนี่ยก็คือสังขารซึ่ง จะต้องเกิดดับแก่เจ็บตายไปก็เรียกว่าตัวเราเนี่ยมีทุกข์คือเพราะเป็นสังขารสังขารเป็นทุกข์เนาะแต่้ผู้รู้ที่มันไม่มีตัวเนี่ย ม, ม, ม, นนมันไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้เด็ดมันไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้เลยเพราะมันได้ใจรู้และมันไม่มีตัวที่จะเป็นทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์ก็อยู่ที่รู้นี่แหละนะถ้าขณะใดที่รู้ตัวก็ไม่เข้ามามายึดถือไอ้ตัวจริงถูกรู้คือไม่ยึดถือสังขารก็เป็นความหลุดพ้นไป เพราะนั้นเนี่ยทางตรงนี้คือเป็นมัคที่ชัดเจ น, จนก็คือว่าไม่ต้องไปปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องไปหาวิธีไหนอีกแล้วมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือรู้สึกตัวหรือว่ารู้ตัวเพราะว่าอันเนี้ยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยได้พูดว่าอันเนี้ยเป็นทางอันเอกมีทางทางเดียวที่จะพ้นทุกได้ทางอื่นไม่มีเพราะนั้นเนี่ยถูกทางแล้วที่มาปฏิบัติคือรู้สึกตัวแล้วก็โดยเฉพาะรู้ตัวให้เป็นรู้ตัวให้เป็นก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ย เอออย่างรมสุปวีก็รู้ตัวเป็นแล้วเพราะว่าค้ารู้ตัวเป็นก็คือมันจะมีธรรมชาติรู้มารู้ตัวตัวเราอย่างนี้รู้เป็นแต่ถ้ารู้ไม่เป็นเนี่ยยังหาอยู่เลยว่าไม่รู้ตัวเป็นเป็นยังไงเพราะนั้นวิธีรู้ให้เป็นก็เนี่ยมาทดสอบแบบนี้มาฟังแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องไปต่อยอดเราเองนะโดยเอาตัวเราเนี่ยไปดูไปดูภายนอกดูภายใน ดูภายนอกมันก็เห็นตัวเราพอดูภายในเราก็หมัวไปดูมันก็เห็นเราก็หวัวอ่าสมมติว่าเพ่งดูจิตนะดูจิตเนี่ยคอหักไปดูจิตปั๊บมันก็เห็นหัวเราคอหักนี่เท่ากับรู้ตัวเราเพราะนั้นรู้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เรารู้เนี่ยคือความหลุดพ้นไปจากเราไปจากสังขารนะก็ตกลงแล้วก็ที่โยบวีณนาะพูดก็คือโอเคถูกต้องแล้วนะ ถูกต้องแล้วแล้วก็มั่นใจร้0ยอเซก็คือไม่ผิดทางแล้วถ้ารู้อย่างเนี้ก็จะแจ้งชัดแล้วก็ไปต่อยอดเนาะพัฒนาเอาแต่อย่างน้อยเนี่ยที่จะให้รู้ว่ารู้เนี้ยมีอยู่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยยังไงก็ต้องรู้ตัวเราถ้าไม่รู้ตัวเราไม่มีวันที่จะเข้าใจเรื่องเนี้สมมุติว่าเราหลวงพ่อให้ดูคลิปนะถ้ามีเราได้แต่ดูคลิปดูอยู่งา่ายแหละก็กลายเป็นเรารู้แต่ถ้ารู้เราว่าเราเป็นผู้ดูคลิป ก็จะเข้าใจเลยว่ามันมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้เราที่มารู้เราที่เป็นผู้ดูคลิปเนี่ยมันครบอย่างเนี้แล้วจึงรู้จักเลยว่าไอ้ที่รู้เราเนี่ยคือคืออย่างนี้แต่ว่าจริงๆการรู้เราต้องปัจจุบันขณะเท่านั้นถ้าเป็นอดีตไม่ใช่แล้วอดีตก็คือสิ่งนั้นไม่ใช่รู้เสียแล้วเพราะมันมันเป็นผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รู้เราในปัจจุบันนั่นแหละคือถูกต้องที่สุดและก็เป็นความไม่ทุก เพราะนั้นเน้นเลยเรื่องรู้สึกตัวปัจจุบันโยมบวีนาเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไปเพียนส่วนคนอื่นน่าจะได้รับความเข้าใจมากขึ้นจากการที่ได้ฟังนะได้มีการสาธิตได้มีการแสดงกันเมื่อสักครู่นี้นะเอาทีนี้เรื่องใหม่มีเมื่อกี้เดี๋ยวนะใครนะที่อาจจะคุยกับหลวงพ่อเนาะหรือใครจะคุยก่อนไหมตอนเนี้อ่ะอะโยมเจี๊ยบลงมาแล้วค่ะนามสการค่ะหลวงพ่อคะ่ะ ค่ะแล้วก็สวัสดีสปิเกอร์ด้วยนะคะรวมถึงออเดียนต์ข้างล่างด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้ใครนะก่อนโยมหนุ่ยนุ้ยมาที่หลวงพ่อบอกว่าให้ฟังไปก่อนแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าอะไรนะ อ, อคุณวัดหรือเปล่าคะเออเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตออกไปแล้วเหรอคุณเจี๊ยบหรือเปล่าคะอ๋อคุณเจ้บคุยไปแหละอ๋ อ, อ, อค่ะก็ เออปริยญมหนึ่งหนุ่ยเข้ามาทีหลังนะหลวงพ่อให้ดูคลิปคลิปวิดีโอที่เป็นธรรมชาติดูแท้อันนี้ไหมคะใช่ใช่ที่ไม่มีไม่มีเสียงบรรยายอะนะมีดนตรีประกอบหน่อยเนาะแล้วก็เป็นคลิปเปล่าๆนะแล้วในนั้นเนี่ยหลวงพ่อจะมีชื่อว่าเออผู้รู้มีอยู่ทุกที่แต่ไม่ปรากฏค่ะรู้มีอยู่ทุกที่แต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้ก็เมื่อกี้ก็เลยให้ญาติโยมที่อยู่ในห้องเนี่ยกลับไปเปิด youtube ดูจนจบ เมื่อดูเสร็จแล้วแล้วก็มาอธิบายมาแชร์กันว่าเออมันพบผู้รู้ไหมหมายถึงว่าเข้าใจเรื่องรู้แต่ไม่มีตัวไหมก็มีโยมเจี๊ยบโยมป่าวีนายมโยมจิมโยมเกตได้ขึ้นมาพูดแล้วพูดเสร็จแล้วหลวงพว่อก็ก็เหมือนกับเชิงสรุปอะนะเออชี้ให้เพื่อชัดอีกทีนึงว่าเออถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือถูกต้องแล้วเข้ามรรคเลยพ้นทุกอย่างเดียว ม, มีเป็นอื่นเพราะว่ารู้จักอย่างอย่างแน่วแน่แล้วว่าไอ้ตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์แต่ไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยไม่มีตัวไม่ปรากฏตัวจึงพ้นทุกข์ก็เลยก็การปฏิบัติก็คือมีแค่เนี้ยรู้จักว่าทุกข์เป็นอย่างนี้คือตัวนี้แต่ตัวที่ไม่มีทุกข์ก็คือตัวที่ไม่มีตัวแต่มันมีความรู้รู้แจ้งในทุกข์รู้แล้วก็คือไม่หลงติดไม่หลงยึดคือ หลุดเลยนั่นแหละคือหลุดจากทุกพ้นจากทุกก็คืออย่างนี้เอง<ฆ>อแล้วก็มามองต่อว่ารู้เนี่ยที่รู้เราเห็นไหมละ่ะมันไม่ได้เป็นเราเลย<ฆ>ไม่ได้เป็นเราแต่ก่อนเนี้ยเป็นไงละ่ะเข้าใจผิดนึกว่าเราต้องปฏิบัติให้เราพ้นทุกให้เราพ้นทุกแต่เมื่อกี้มีเราไหมละ่ะก็ไม่มีเราเป็นผู้พ้นมีแต่รู้ทกุก็คือพ้นทุก ชัดเจนขึ้นนะ้อยมสุภาวีนาะยมยมสุภาวียมเอยยมจิมยมอะไรแ่่จริงๆต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคล้ายๆเหมือนกับประเทืองปัญญานะคะ<ม>ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดยังไ ม, ไม่ยังไม่เคยดูนะคะก็สามารถตามลิงก์ใน YouTube นี้ไปได้นะคะด้านมนนะคะลองไปดูครั้งหนึ่งคะ่ะอาจจะเกิดความเข้าใจแล้วก็อะไรระดับความเข้าใจจะมากขึ้นรวมถึงถ้าถ้าสมมติว่าดูแล้ว ยังไม่เข้าใจเนี่ยเออกลับมาคุยกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะท่านจะชี้ลงไปค่ะให้เราโอ้เข้าใจแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะเดหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อทําเองนะทําเองเพราะมันเข้าใจมาก่อนแล้วก็ทําพอทําเสร็จแล้วดูซ้ําเนี่ยมันยิ่งแจ้งเลยนะมันยิ่งแจ้งเพราะมันมันแจ้งต่อการรู้ตัวเองอ่ะ่เพราะตัวเองเนี่ยไปดูก่อนพอไปดูเสร็จแล้วเอ้ามันก็มีอีกสิ่งหนึ่งมาดูตัวเราอีกทีหนึ่งว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูอันนั้น แล้วมันทำให้เกิดปัญญาเลยว่าไอตัวเราเนี่ยก็คือสังขารทั้งแท่งเลยนะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูแต่ไอตัวที่มันรู้เราอ่ะมันพ้นไปจากสังขารแบบร0อยเปอร์เซนเลยอ่ะช่าไกลชัดเจนเลยก็เลยอ๋อนนี้แหละทางของมันเลยอ่ะลองดูซ้ำนะดูซ้าก็จะเกิดปัญญาอีกค่ะค่ะอ่อยมหน้อยนยก็ดูแล้วเนาะดูชัดเจนอ่เอ่อถ้าผู้เข้ามาใหม่เนี่ยก็ ถ้าเกิดว่าปฏิบัติยังไงมามีสภาวะแบบไหนหรือว่าเอติดข้องหรืออะไรยังไงอย่างนี้ค่ะลองเรามาคุยนะคะหลวงพ่อชี้ไปหลายท่านแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็โอ้สามารถพอเข้าใจเนี่ยก็ไปเพียรต่อนะคะแล้วก็เอ่อทำให้กระจ่างแจ้งในใจอะนะคะแล้วกระจ่างเนี่ยมันก็รู้พอรู้เสร็จเนี่ยคนเราจะเกิดปัญญาค่ะปัญญารอบรู้เนี่ยทุกอย่างมันก็สบายๆคะ่ะในชีวิตนะคะมันก็ มีมีชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีความไม่เหมือนเดิมในชีวิตแค่นั่นเองนะคะค่ะก็ก็เรียนเชิญนะคะค่ะอือีวันนี้หลวงพ่อก็ตั้งชื่อสังขารไม่ใช่ตัวตนเนาะคือเพราะว่าก่อนเนี้ยหลวงพ่อใช้คาว่าสังขารเกือบทั้งหมดเลยว่ามันมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นแล้วก็สังขารเมื่อมันเป็นสังขารเนี้ยมันก็คือมีแล้วหมดไปนะ เมื่อมันหมดไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมันหมดแล้วเขาเรียกว่ามีแล้วหมดมีแล้วหมดมีแล้วหมดก็ไม่อาจที่จะเรียกว่าเป็นตัวตนเมื่อเป็นอย่างเนี้ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบขึ้นที่เป็นร่างกายจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่นะที่เราเคยเคยเคยเชื่อหรือว่าเคยหลงผิดว่านี่คือตัวเราตัวเราเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อก็จะบอกย้ำย้ำย้ำว่ามันก็คือสังขารอยู่ดีมันไม่ใช่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีสติรู้ ที่มันกำลังมีที่มันกำลังปรากฏรู้ให้ทันว่านั่นนะคือสังขารนะแต่ถ้ารู้ไม่ทันปั๊บมันก็เป็นตัวเราแล้วยังถ้ามันเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วมีการยึดแล้วยังไม่รู้อีกมันก็ยังเป็นอัตตายังเป็นตัวเราอยู่แต่ถ้ารู้เมื่อไหร่มันก็จะสลายความเป็นอัตตาให้เป็นอนัตตาโดยฉับพลันทันทีเลยนะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ทาได้หรือไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนมานะ เมื่อฟังเข้าใจก็เขเรียกว่ามีปริยัติแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติก็คือนี่แหละมาปัจจุบันตอนนี้เลยจะพูดก็รู้ว่าอา๋อที่พูดก็เป็นสังขารจะยกมือการเคลื่อนไหวก็เป็นสังขารจะคิดก็เป็นสังขารจะนึกก็เป็นสังขารไม่เข้าใจก็เป็นสังขารเข้าใจก็เป็นสังขารอะไรอะไรทั้งหมดที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันสังขารทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อรู้ว่าเป็นสังขารเช่นนี้ยายเล่าต้องไปอยากได้อยากมีอะไรต่ออะไรอีกมันไม่ได้มันไม่มีหรอกเพราะว่าแค่สังขารเนี่ยมีแค่เกิดดับเท่านั้นเองนะสังขารเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหวังอะไรที่อยู่ข้างหน้าว่าให้ได้มามันไม่มีได้ถึงได้มันก็ดับมันก็ได้มาสิ่งใดมันก็หมดสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดับตั้งแต่ต้นทางเลยคือดับผู้อยากได้อยากมีก็คือดับตัวเรานี่แหละว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่มีอยู่จริง เพราะนั้นที่มีอยู่จริงก็คือสังขารดับเสียดับคือดับความหลงผิดดับความยึดมั่นถือมั่นดับความหลงผิดนี่แหละก็เรียกว่าดับับสังขารสังขารมีอยู่แต่ดับแล้วดับความหลงผิดความเข้าใจผิดก็ให้มันเกิดเกิดดับดับของมันเช่นนั้นตามเหตุตามปัจจัยอนี่คือทางของมันเลยไม่มีเป็นอื่นนะตอนนี้นะหลวงพ่อเอาสิ่งที่กําลังมีอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าจะชี้ให้เห็นนะตอนนี้ เรานะเดี๋ยวจัดใช้คําพูดอะไรดีนะตอนเนี้เขาเรียกว่ามีการเข้าสนทนากันเนาะในห้องคลับห้องคลับเนี่ยโอเคแล้วเป็นที่รู้กันว่ามีชื่อหลวงพ่ออยู่เนาะอ่าทีเนี้ยถ้าเราลืมตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในห้องไม่รู้ว่มามันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มั้งถ้าเราลืมตัวนะอ่าเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องคลับห้องคลับตรงนั้นก็คือเนี่ยในโทรศัพท์นั่นแหละแต่ถ้าพอรู้สึกตัวขึ้นมาปับ๊บอา้าว ตัวเรามันอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่นี่เนี่ยกาลังนั่งอยู่นอกจอมือถือตรงนี้เห็นความแตกต่างไม่ว่าถ้าเผลอไปเนี่ยขาดการพิจารณาเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในห้องขับจริงๆเลยเพราะมันลืมตัวไปแต่ถ้าตอนนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้ปั๊บมันนึกขึ้นได้ว่าอ้าวตัวอยู่นี่พอรู้ว่าตัวอยู่นี่ปั๊บเนี่ยตัวเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเลยตัวเราเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเลย แต่ตัวเราก็จริงๆก็คือสังขารแต่ถ้าไม่รู้นะไม่รู้ตัวมันก็ทำให้ไม่รู้จักว่าสังขารก็เลยหลงสังขารมาเป็นตัวเป็นตนอ่าแต่ถ้ารู้ตัวด้วยปัญญาก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวที่ถูกรู้ก็เป็นสังขารแต่จะเรียกว่าสติก็ได้นะนตอนนี้พอพูดถึงเรื่องสติสติเนี่ยก็คือเป็นผู้เห็นสังขารสติจึงแยกออกไปเป็นผู้ดูสติก็ไม่ใช่เรานะ อ่าทีนี้พอเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ทำให้เห็นภาพเลยว่าอ๋อไอ้ตัวเราทั้งตัวคือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยตัวสติแต่สติมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่มันมีอยู่นะมันมีอยู่อ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ฝึกสติมากๆจนกระทั่งว่าเห็นตัวเราเนี่ยเห็นแจ้งเห็นบ่อยๆจะเดินจะนั่งจะนอนสติก็ตามเห็นอยู่ว่าเออ อัเน sí, you know. you know, mm ี hmm. ้ยก็เป็นสิ่งที่สติเห็นอยู่รู้อยู่แต่สติเนี่ยไม่ได้ยึดแล้วพอได้แต่รู้เพราะมันเป็นคนละประเภทกันตัวเราคือสังขารประเภทหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกรู้แต่สติเป็นสังขารประเภทหนึ่งที่เป็นผู้รู้ในชั้นนี้เนี่ยสติก็ยังเป็นขันห้ามก็เรียกว่ายังเป็นปรุงแต่งอยู่ยังเกิดดับได้อยู่เพราะว่าบางทีไม่มีสติก็แสดงว่าสติมันมันดับแล้วพอมีสติสติเกิดเพราะฉะนั้นตัวเราที่เป็นสังขารก็เป็นสังขารเกิดดับ สติที่ฝึกไว้ในเบื้องต้นมันก็ยังเกิดดับได้รู้อยู่นี่ว่าบางทีขาดสติแสดงว่าสติก็เกิดดับแต่อย่างน้อยเข้าใจแล้วว่าไอตัวเราเนี่ยก็เป็นสังขารที่เกิดดับไม่ใช่ตัวเราเป็นสังขารนะเป็นสังขารที่เกิดดับไม่ใช่ตัวเราตัวสติก็เป็นสังขารเกิดดับไม่ใช่ตัวเราพอเป็นอย่างนี้อย่างน้อยเราก็รู้จักว่าธรรมะเนี่ยสังขารประเภทเกิดดับเนี่ยก็คือทั้งสติแล้วก็ทั้งตัวที่เรียกว่าตัวเรา แต่มันมีอีกสิ่งหนึง่งที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมีแต่ความรู้มารู้ว่าเออไอตัวเราก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแล้วก็ตัวสติก็เป็นสังขารเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่อธรรมชาติที่รู้แบบนี้เขาเรียกว่ายานคือมันได้แต่รู้รู้ว่าอะไรสติมีก็รู้สติไม่มีก็รู้ ตัวเราที่เป็นอะไรจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้หมดเลยเขาเรียกว่ามันรู้ครอบครอบคลุมรู้ทั่วรู้ครอบพอเป็นรู้ทครอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ่าไอตัวที่รู้เรานี่แหละนั่นแหละที่ไม่ปรากฏตัวแล้วไม่ปรากฏการเกิดการดับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พ้นไปจากความเกิดดับแต่มันรู้เราได้มันรู้สิ่งเกิดดับได้นะพอเป็นอย่างนี้จะเข้าใจเรื่องยานเลยว่ายานแปลว่ารู้อนะ ก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อยานเนี้ยคือเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากสังขารยานเนี้ยจึงจึงไม่ปรากฏหน้าตาไม่ปรากฏตัวว่าเป็นอะไรนะยานเนี้ยจึงเขาเรียกว่ามันสู่ความพ้นทุกอย่างเดียวจะไม่เป็นทุกเพราะว่ายานเนี่ยมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันได้แต่รู้